าะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่าทนผู้ฟังเท่านั้นแต่รงประโพธิญาณได้นำเสนเอท่านผู้ฟังในบทสวดสรงเสริญพระพุทธคุณซึ่งเป็นผลงานการเรียบเรียงของพระสีสุนทรวาหารน้อยอาจรยยังกุลที่มเมื่อมองย้อนกลับเข้าไปสู่ที่มาก็จะพบว่า เป็นการแปลข้อความที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระนิพนไว้แล้วก็กลายเป็นบทธรรมวัดเช้าซึ่งสืบต่อกันมาจากกนถึงปัจจุบันที่เริ่มต้นด้วยคำว่าพุทโธสุ ท, ทโธกรุณามัณโวนันเดงประเด็นที่น่าทำความเข้าใจในช่วงสุดท้ายของเรื่องก็คือว่า กำจัดน้นใจหยาบสันดานบาปแ่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาระบบาปบำเพ็ญบุญมาความวัาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสรงสแสดงคือโดยพั่วไปเราจะมองในแง่ของกุศลกับอกุศลมาความมาเมื่อบุคคลได้เจริญกุศลนั่นเองกุศลที่เกิดขึ้นจะ่นยกตัวอย่างว่าศรัทธาบังเกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคล เมื่อปริมาณของศรัทธาเพิ่มขึ้นความไม่เชื่อก็จะลดลงโดยํำดับพอถึงจุดหนึ่งมันขจัดลึกลงไปจนถึงความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของพระเจ้าปร ะ, ปร ะ, าะทามประสงค์จากเรื่องหยาบๆไปถึงเรื่องที่ละเอียดและจากนั้นก็จะขจัดความรู้สึกที่เรียกว่าจะมีหวง โลภตัณหาต่งตางๆครนณนี้ต้องความจะสังเกตได้ว่าเวลาเราให้อะไรแก่ใครของนั้นจะประนีดหรือไม่ประณีดเนี่ยไม่ค่อยจะสาคัญเท่าไหร่คือสาคัญว่าเรามีความรู้สึกต่อคนที่เราให้ในอย่างไรแต่เรารู้สึกรักเนะคารพนับถือศรัทธาเมตตาสงสารเราก็พร้อมที่จะให้ได้โดยเฉพาะเรื่องรัก พักดีศรัทธาจะสามารถให้ได้อย่างจากที่คนอื่นจะให้เพรา ะ, ะด้วยพลังแห่งรักพลังแห่งพักดีพลังแห่งศรัทธาเนี่ยทำให้คนเสียสละสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตของตนเพื่อบุคคลที่ตนรักตนศรัทธาตนพักดีได้เราจะพบการให้ในลักษณะนี้ที่ มีการให้กันอย่างแพร่หลายเช่นการถวายแก่พระสงค์ซึ่งตนเคารพนับถือด้วยพลังของศรัทธาเป็นการให้ที่ไม่น่าเชื่อจะให้ได้แต่ด้วยพลังศรัทธาที่ให้ได้หรือการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินีานาถตรในประเทศเป็นต้นเนี่ย เราสังเกตว่าอาคารสถานที่บางอย่างไม่น่าเชื่อตึกพป ร, รตึกซอกกตึก84ปีตึกซีรินไอตึกสยามินอะไรต่างมันเกิดขึ้นโดยพลังแห่งความจุงรักภักดีต่อสถาบันประมากษัตริย์สามารถระดมเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาสร้างสาธารณูปโภค ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนไปในชาติได้ตื่นการให้ด้วยความรักนั้นตื่นสังเกตว่าจึงการให้กันในหมู่คนที่มีความรักกันแต่ความรักเหล่านั้นเมื่อสรุปแล้วก็คือรักชาติด้วยพลังของความรักชาตินั้นเราจะเสียสละเพื่อชาติของเราเองแม้แต่ชีวิตก็สละให้แก่ชาติได้ เป็นความรู้สึกษากดไม่ได้เจาะจงว่าคนนั้นจะต้องนับถือศาสนาอะไรอยู่ในส่วนใดของโลกอนซสังเกตนผลงานทำศาสนาในด้านต่างๆในทุกศาสนาไม่ย่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งมันเกิดจากพลังศรัทธาของศาสนิกในศาสนาเหล่านั้นเราหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมจึงทำได้อย่างนั้น แต่เมสถาบางเกิดขึ้นภายในใ จ, ใจคนแล้วค น, นก็ทาได้อนศาสนสถานในส่วนต่างๆของโลกบังค่ามาแสดงถึงพลังศรัทธาที่มีความต่อเ น, นื่องเศร่าการกุดสร้างวัดขึ้นในภูเขาที่อชันต้าเซโรลาของอินเดียมีความต่อเ น, นื่องยาวนานถึงหกรปี คนหกรปีนั้นเขาสามารถต่อพลังศรัทธาตรงนี้ขึ้นมาได้จนกลายเป็นวัดวาอารามอยู่ภายในภูเขาถึงสามสิบกว่าวัดทุกส่วนเกิดจากการสลักสลับหินเอาทั้งหมดไม่มีวัสดุอะไรเข้าไปจากข้างนอกมีแต่เอาจากข้างในออกมาไว้ข้างนอกการสร้างวิหารขนาดใหญ่ในศาสนาในการสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ สร้างโบสถ์ขนาดใหญ่สร้างวิหารขนาดใหญ่ในศาสนาสลามศาสนาคริสศาสนาซิกเส้นสุวรรณวิหารที่แคสเปียหลังคามุงด้วยทองคำล้วนพื้นปูด้วยทองคํำล้วนปัญหาเหล่านีนน้บางครั้งนี่คนไม่ได้มองไม่ได้สังเกตวันก่อนได้รับจดหมายทํานองคล้ายๆกับบัตรสุนทเท เขีนโจมตีพระเรื่องที่อยู่ของพระรู้รายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นคนที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้วรู้เรื่องของพระดีถ้าคนรู้ดีนีนเขาไม่พูดหรอกแล้วยิ่งอาคารสถานที่เหล่านั้นเป็นสมบัติของพระศาสนาแล้วใครก็ตามที่บวชเข้ามามันก็สามารถจะอยู่ได้ แต่คนก็ทยอยเข้ามาบวชแล้วก็ทยอยกันอยู่แล้วทยอยกันออกตลอดช่วหน้าตาปีมันเม่สมบัตสุดโตัวของพระเหล่านั้นเวลาสถานะตำแหน่งหนะ้าที่การงานเราท่านโตขึ้นก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่โตหน่อยเพราะมีงานมีการมีหน้าที่แต่จะต้องจัดจะต้องทำแม้แต่เอกสารอย่างเดียวนี่นก็แย่แล้วคือบางคนก็เป็นหงายคล้ายๆกับพระจะมีอะไรไม่ได้เลย ก็ใช่ฮะถ้าอยู่ป่าเนี่ยก็มีเฉพาะบริการได้แต่จะทํางานเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยจะเป็นจะต้องมีที่จะทารายการวิทยุอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเครื่องอัดเสียงเราก็ต้องมีไม โ, โครโฟนมีอุปกรณ์ในการอัดเสียงทั้งหมดถ้าไม่งั้นเราจะทํำยังไงการจะทํารายการทางโทรทัศน์เราก็ต้องมีเครื่องโทรทัศน์ ด, ดูเพื่อตรวจสอบเพื่อศึกษา แล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราทำไปแล้วมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเหล่านี้เป็นงานของผู้เสียสละคือคนไม่เสียสละเขาทำไม่ได้หรอกแล้วทรัพย์สมบัติของพระสมมุติว่าจะมีนะพอถ้ามานภาพปับทุกอย่างเป็นสมบัติของพระศาสนามีไหมชาวบ้านเนี่ย ี่ปไตยปั๊บสมบัติเป็นของแผ่นดินไม่มีหรอกแต่ของพระนั้นก็มีในกรณีที่ท่านยังครองชีวิตอยู่ท่านก็ใช้จ่ายได้ใช้ได้นะแต่ปรปตายปั๊บมันเป็นสมบัติของพระศาสนาโดยรวมแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือวัดที่ท่านสักการะอยู่นนี้กฎหมายก็เข้ามาคุมไว้ด้วยนะคือให้ตกเป็นของวัดที่ท่านสักกัดอยู่ งานเรามีเป็นการสะท้อนไปสู่จิตใจของคนที่มีศรัทธาต่อศาสนาผลงานที่เราแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันประมากษัตริย์เป็นเรื่องที่ประทับใจซาบซึ้งเราหาคำตอบไม่ได้ว่าพลังขงความจงรักภักดีมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน เราได้ข่าวเรื่องแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามที่ถูกห้ามชายในประเทศไทยที่จริงเราก็เคยห้ามชายกันมาหลายครั้งแล้วเพราะมันกูหกมดเพศรยอาจารย์อบประสุรัตน์หรือฮิมเริกทกาตันคลิกิตก็พูดไปว่าแอนนา น, น, น ก, กูหกแต่อาจารย์อบซึ่งเป็นผู้แปลเรื่อง อันนาก็ไปเจ้ากรุงสยามท่านบอกไม่จช่โกหกพันต่อแหลวเลยคือ ใ, ใช้คำแทงแต่ท่านก็ปลออกมาเพื่อให้เห็นถึงจิตสันดานของคนทนี่มุ่งจะเชิดชูตัวเองเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแค่สี่ห้าส้าห้าปีมีความสำคัญไปหมดเป็นวีรสตรีที่มากู้ชาติอะไรต่างๆแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์ สดแสดงเห็นพลังของความพักดีที่มีต่อสถาบันประมาคษ์เป็นรัชการที่4ี่นะฮะร้อยกว่าปีมาแล้วแต่เราก็มีความยกรับพักดีคือใครไปแตะต้องสถาบันประมากษาเราไม่ได้เดียเลยไปถึงต้นๆสมัยสุขโขทยัยสมัยยุธย า, าก็เหมือนกันเรื่องความรักนั้น พลังผลักดันที่ให้เกิดการเสียสละและที่สาคัญอย่างยิ่งคือเป็นรถที่โทษสาลงไปด้วยให้เราสังเกตว่ากับคนที่เราศรัทธาคนที่เราพักดีคนที่เรารักเนี่ยเราไม่โกรธนั่นคือลักษณะของธรรมะหน้าที่ของบุคคลก็คือพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วธรรมะนั่นเองจะทําหน้าที่ ขจัดน้ําใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงโดยสัตวโลกได้พุ่งพิงก็ในการสรุปแล้วก็คือละบาปเป็นบุณแต่ในภาคปฏิบัตินั้นท่านสายชนทนายจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยยกตัวอย่างว่าเราพิจารณาถึงสังขารร่างกายหรือชีวิตของเราว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องพัดพรากสูญเสียเราไม่สามารถจะล่วงพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้ การใช้ปัญญาพิจารณานั้นเป็นการเสริมสร้างสติสัมปชัญญะของตัวเองแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดความมงายความหลงในชีวิตร่างกายของตนเองในกระบวนการของชีวิตแล้วก็จริงมันไปลดโลภกราะก็จริงไม่ไีจะเอาอะไรกันแน่นาและในที่สุดก็ต้องตาย มันจะเกิดสภาพจิตที่ตปรงปลุกปล่อยวางไม่พยายามจะสร้างบาปสร้างกุศลประหยัแห่งตนและก็สิ่งที่เหี่ยวเนื่องด้วยตนเพราะบาปบุญนั้นกลายเป็นสมบัติติดตัวจริงๆแต่ว่าชีวิตร่างกายเนื้อหนังมังสาจะสวยงามอะไรก็ตามเป็นสมบัติของโลกเป็นดินน้ำล ม, มไฟที่เกิดขึ้นมาจากโลกแต่เราก็ต้องท้อจริงเมื่อชีวิตเราตายไป ในคาถาหมาบังสกลุลที่ส่งสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาสรงใช้คำว่าอาจิรังวัตยังกายโยกานีไม่นานหนอปัตวิงาณที่เสสติจะล้มล ง, ล ง, ลงเหนือแผ่นดินสุดดวเปตวิญญาโนโปวิญญาณออกไปจากร่างแล้วนิรัตถังวะกลิงกะรังก็จะเหมือนท่อนไม้ที่หาสารแกนสารไม่แด้ในใ น, นี้จะมีการแตสะท้อ น, น, นภาพของการ พัฒนาจิตใจของประชาชนแผ่นนชาติในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทยอบฟ้าจุลาโลกมหาราชที่ปรากฏอยู่ในนิราชนรินพราะังนั้นข้อความที่จินตนาการและทราบซึ้งดื่มดามันน่าจะลงกลับมาสู่สังคมไทยเราแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่า สรงคุมปัจจุบันได้ละเลยเรื่องตรงนี้ไปอย่างบางก่อนไปในงานวันเกิดของท่านจะวาดวัดอรุณราชวรารามก็ไปถวายสักการะเฉยๆไปเมื่อเขาเลิกพิธีกรรมไปแล้วแล้วท่านก็มาตั้งวงคุยอยู่ข้างนอกเป็นผู้เฒ่าแปดสิบปีมีประสบการณ์เล่าอะไรเยอะ เมอนั่งฟังไปก็ฟังเพลินดีก็ได้ความรู้ความเข้าใจก็มาประรบตึงการสอนธรรมะการเผยแผ่ธรรมะแม้จะการขีดเขียนงานเอกสารทางศาสนาคือแต่เราคิดแล้วเนี่ยพระจะทำได้น้อยกว่าชาวบ้านมันก็ตั้งปัญหาถามว่าไม่มีความรู้ความสามารถหรือ ก็ว่าจริงเรามีนะแต่ว่าเราไม่ผีสตางค์ค่าผีแล้วพอพระทํางานเนี่ยมันฟรีไปหมดเลยสมมติเราจะเขียนหนังสือขายอย่างนี้เราก็เสียคนยแต่ชาวบ้านก็ขายได้แล้วก็มีผลกำไรย้อนกลับมาเพื่อเขาทํางานได้ต่อไปแต่พระไปเขียนหนังสือขายไม่ได้นั่นคือประเด็นที่มีปัญหา ทั้งๆาในสมมุติว่ามีการขายมีการจำหน่ายแล้วก็กลายเป็นกลับมาสร้างหนังสือเล่มใหม่ต่อไปนะ่ยาต่พระไปดำเนินการเองก็ทำไม่ได้แล้วพอเป็นองค์กรมูลนิธิทามาก็กลายเป็นเรื่องของเขาก็ทำให้งานในลักษณะนี้เราเผยแพร่กันน้อยไป คำสอนบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏในเอกสารถึงเผยแพร่กันอยู่ในสังคมเนี่ยมีเรนนาที่ไม่ยุติโ ด, ดยหลักการและคำสอนในพระพุทธศาสนาคือเป็นการใช้ความคิดความเห็นของตัวเองแล้วผสมผสานกับสิ่งที่ตนศึกษาและเรียนมาแนวตัวนี้เป็นเรื่องที่มาเห็นใจนะฮะมันก็คล้ายๆกับ อัตกระถาพระอัตรถาอาจารย์เนี่ยท่านมีพื้นฐานเป็นพราหมณ์พระพุทธโกศาจารย์นั้นเป็นบุตรของพราหมณ์ที่เมืองขยะมันมีข้อความเป็นอันมากที่เราเห็นท่านจะเห็นว่าเป็นความเห็นของท่านมันไม่ใช่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนาแต่พื้นฐานของท่านในศึกษาในอบรมในเล่าเรียนขึ้นมาอย่างนั้นท่านก็ว่ากันนั้นอย่างนั้นถือเป็นเรื่องที่ท่านเห็นใจ และการเผยแผ่ที่ปรากฏในนิราชนรินโดยเฉพาะโครงบทแรกมันในบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงขนาดขนาดใหญ่สองเรื่องคือการเสียกลุ่มและการสร้างกุงกกรัตนโกสินทร์ขึ้นมาที่ท่านบอกว่าอายุธยายศรุปแลลอยสวรรค์ลงรือสิงหาปางรับบันเจิดลา หมายความว่หลังจากที่กรุงศีติยาได้ถูกทำลายไปแล้วก็ได้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาและก็มีความสวยงามอนเนกนันซึ่งในสมัยนั้นก็คงจะไม่สมบูรณ์ในรเท่าไรหรอกแต่ว่าเป็นอารมณ์ของกวีการก็ียนพรรณนาแบบกวีแต่สิ่งที่น่าสิบสารก็คือว่าบุญเพลงพระหากสันสัดรุ่งเรืองแห่ จะมีการส่งเสริมสนับสนุนพระศาสนาจนพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเป็นอันมากท า, ทางที่เราผ่านวิกฤตการ์มาก็ประมาณยี่สิบกว่าปีนะฮะทำให้เรามองเห็นโครงบทที่สองที่สามที่แสดงถึงความสวยงามของศาสนสถานภารากรริจการงานที่พระสงค์ท่านกระทำ แล้วการร่วมแรงร่วมใจการสนับในคุณค่าทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบทที่สองที่บอกว่าเรืองเรืองตรยรับพ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์นั่นคือผลผลของสถาปนาพระ ท, ที่พุทธศาสนิกชนมีต่อพระพุทธศาสนา แล้วผู้สร้างวัดในสมัยนั้นที่เป็นหลักจริงๆคือกษัตริย์ราชวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็เศรษฐีเพราะนั้นทำให้วัดบางวัดเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่เราเรียนว่าคนสี่กลุ่มนี้เป็นผู้สร้างวัดกันมาแล้วก็พูดถึงภารกิจต่างๆที่ปรากฏภายในวัดบูตรเบียงโมดพื้นไผ่หานธรว่าสาาลาลานพระแผ้ว หอไตรระคังขานภายคำไขประชีพโครงแก้วกําฟ้าเฟื่อนจันทร์ทีนี้ภารกิจตัวนี้มันก็อยู่ในโครมบาดสุดท้ายของบทที่หนึ่งที่ท่านบอกว่าบังใบเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเนื่องก็มาจงกับข้อที่เนี้มาละบาปบงเพ็ญบุญมาละบาปบงเพ็ญบุญนั้นคือการละ บ, บาปกาเบิิเพ่งบุญ การละบาปก็คือการปิดประตูอบายการบำเพ็ญบุญก็คือการเปิดประตูสวรรค์เพื่อสร้างสรรพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้มีความสมบูรประณีตยิ่งขึ้นไปก็เป็นการสอนตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพศาสนาก็ได้ี่สูสถานะตัวพระพุทธศาสนาเองตือนนะฮะว่าธรรมะเป็นนามธรรม การจะเกิดผลตามที่ท่านแสดงเอาไว้มารับบาปบำเพ็ญบุญก็ดีนะบังกรบายเบิกผ้าฝึกพื้นเต็มเมืองก็ดีแต่อย่างนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกุศลและเจตนากุศลและฉันทะหรือธรรมฉันทะความพอใจในธรรมของบุคคลแล้วก็มีการศึกษามีการนำมาประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นที่จริงเริ่มตรงไหนก็ตาม แต่าาก็ถูกต้องคือกิเลสมันลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นดังนั้นผลต่อเ น, นื่องก็คือความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นทำให้ออกมาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่หลักการในพระพุทธศาสนาประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าห่วงวันก่อนที่ไปคุยกับท่านเจ้าคุณเจ้าวาดวัดอรุณราชว ร, รามเนี่ยท่านก็พูดถึงรายการโทรทัศน์บางรายการ ที่พูดถึงการตามหาแก่นธรรมแก่นธรรมนั้นก็อยู่ที่ใจคนนี่ยนะฮะมายความว่าพจแสดงกันมากในเราเห็นเมเลยเพราะว่าคนชอบพูดแล้วก็ใช้ความเห็นเป็นอัตวิสัยแต่เรื่องธรรมะมันไม่ใช่มันเป็นหลักการฮนะเป็นหลักการเป็นวิธีการที่ลงตัวของเขาเป็นผลตรงมาจากการจัดสรุ พ้พระเราที่เคารพหลักตรงนี้เขาเรียกว่าศึกษาแบบครูผู้แบบครูเนี่ยคีอต้องมองว่าข้อเนี้ยพระเจ้าทรงแสดงว่ายังไงแล้วแสดงไว้ที่ไหนแน่นอนการสื่อสารด้วยภาษานั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้คําในประโยคระโยคเต็มที่นะฮะต้องใช้ภาษาร่วมสมัยแล้วก็เป็นพุทถามญาต ด, ด้วยทรงใช้คําว่าให้พวกเธอเรียนพระพุทธวัจะนะด้วย ส ก, กายะนิรุติยาคือด้วยภาษาของตนเองเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาของตนเองโดยมีข้อแม้ว่าให้คงเนื้อหาไว้ภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าเนื้อหานั้นหมายถึงเรื่องเดียวก น, นอย่าเกิดความเบี่ยงเบนความผิดเพี้ยนในด้านของเนื้อหาถ้าต่อไปที่เนื้อหาอยัางยุติกันตรงกัารสมกนแล้วก็จะวิจัยได้ ภาษาจะเปลี่ยนเพราะจริงๆในสมัยพระพุทธเจ้าเองนภาษาเรื่องเดียวกันก็เปลี่ยนเยอะถึายกตัวอย่างคำว่า น, นิพานเนี่ยเป็นภาษาที่ยากต่อการสื่อสารในพระบาลีทั้งพระไตรปิฎกและก็อัตถกถานะเอาขนาดสองระดับเนี่ยมันก็มีประมาณสักแปดสิบคำแต่ละคำนั่นหมายถึงนิพานด้วยกัน แต่เน้นที่ตรงไหนเน้นที่ปัญญาเน้นที่บริสุทธิ์เน้นที่กรุณาเกาะแล้วแต่แต่ทั้งหมดนั้นจะเป็นเรื่องที่หมายถึงนิพพานดต่นั้นพระพุท ธ, ธานุภาพเนี่ยมันเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวตรงศั ส, สรู้แล้วก็สะท้อนธรรมะจากประไถ่ของพระองค์ท้นธรรมะที่ออกมาจากพระโอษมันมีความเป็นปฏิเวทอยู่ตรงนั้น แต่เราเรียนรู้ศึกษาด้วยโสตประสาทคือประสาทหูของเราหรือว่าจากักรุปสาทประสาทตาของเราก็ตามเราก็เป็นปริยัติแต่เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะต้องออกมาในรูปของการละบาปหรือการมาเป็นบุญกิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้น ธรรมะเหล่านี้เป็นผลมาจากพระมหากรุณาดุจท่วงทะเลหลวงของพระพุทธเจ้าตนันเราจึงแสดงความสมนึกถึงพระคุณของพระองค์พระข้าขอประนุน้อมศีระเกล้าบังคมคุณสัมพุทธการุนคือพระมหากรุณาของพระสมณะสัมพุทธเจ้าเดี๋ยภาพนั้นนิรันดด์คือสมนึกอยู่ตลอดไป แล้วก็พยายามที่จะขยับตัวเองให้ใกล้ชิดพรัตนากจขึ้นไปโดยลาดับในมาในภาคสนามภาคการปริพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เป่ากระหม่อมเอาได้นะปลุกเสกเอาได้หรือโดนบรรดาเอาได้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าตาตาก็เป็นผู้บอกให้เท่านั้น แต่การจะประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสผลในระดับใดก็ตามเป็นเรื่องใน่ตงใช้ความเพียรพยายามและความเพียรพยายามนั้นเป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายจะต้องกระทำด้วยตัวเองไม่มีการบน่นดานในพระพุทธศาสนาแต่เป็นการชี้บอกทางอันถูกต้องสมบูรณ์อะไควรเว้นก็คือต้องเว้น ถ้าทำอย่างอื่นแล้วจะผิดพลาอะไรควรประพฤติก็คือประพฤติอะไรควรกําหนดรู้ก็กําหนดรู้อะไรเป็นเป้าก็คือเป้าผู้ศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมะจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องเหนี้แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุ ป, ประโยชน์จะระดับใดก็ตามนะะแต่ควรจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทุกฝั่งทั้หลายแต่ว่พระโพธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงม่อ ง, งามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี